บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายศึก่อไปในการปฏิบัติกรรมฐานหรือแม้แต่ในการปฏิบัติระดับจริยศึกษาหรือจริยธรรมก็ตามบุคคลสามารถหาประโยชน์จากคำสอนทุกขั้นตอนที่ส่งแสดงเอาไว้ เมื่อผลเกิดขึ้นในรูปของการสามารถขัดเกลารจิตใจของตัวเองให้มีกิเลสซึ่งมีชื่อต่างๆเจอจางบาบๆงลงไปหรือเป็นการเพิ่มคุณธรรมความดีขึ้นภายในใจมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความสงบเพิ่มขึ้นเป็นผลการปฏิบัติเช่นนั้นก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยกัน ก็ที่พระเจ้าทรงสอนให้มองดูโลกในแง่ที่เป็นสิ่งไม่ควรแก่การยินดีหรือไม่น่ายินดีนั้นเพราะว่าโลกโดยภาพรวมๆก็คือสิ่งที่จะต้องแตกสลายไปยเป็นธรรมดาบางสิ่งทั้งหลายในโลกจะหยาบจะประนีตจะใกล้จะไกลยังไงก็ตามในสุดก็จะจบลงด้วย ความแตกสลายไปความทำลายไปการที่จิตไปเกาะยึดไปจิตอยู่ในสิ่งเหล่านั้นบางช่วงก็สร้างปัญหาอย่างรุนแรงบางช่วงก็อำนวยประโยชน์สูกให้ในปัจจุบันแต่บางช่วงจะมีการลดละปล่อยวางลงไปได้ก็จะมีประโยชน์สูงขึ้นไปโดยดําๆดัแพึงสังเกตว่า สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ข้างนอกนั้นถึงสรุปรวมเรียกว่าอายตนาภายนอกได้แก่สิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิมด้วยลิ้นและถูกต้องด้วยกายได้เก็บไว้ภายในใจนำมาเนียดนึกนำมาสึกนึกถึงเรียกในยะหนึ่งว่าธรรมารมณ์นั่นเป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาของมันเอง มีเงื่อนไขมีเหตุปัจจัยให้เกิดแก่ก็เกิดเมื่อถึงคราวแก่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามสภาพของแก่ปัญหาจะเกิดขึ้นแก่ใจคนก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้ตัวการสำคัญยังอยู่ที่ความรู้สึกภายในใจของบุคคลจะมีความรู้สึกในแนวใดต่อสิ่งเหล่านั้นมีปริมาณของปัญญาสูงหรือว่ามีปริมาณของ ความไม่รู้สูงก็จะมีการกําหนดสิ่งเหล่านั้นแตกต่างกันแต่ตัวการที่มีอิทธิพลมากภายในใจของคนก็คือความรู้สึกยินดีกับยินร้ายที่ท่านเรียกว่าชอบหรือชังเพราะเป็นอารมณ์ที่สร้างปัญหาให้แก่โลกแก่สังคมแก่ชีวิตของบุคคลมากในกรณีของความยินดกีก็ก่อให้เกิดความเกี่ยวเกาะในลักษณะต่างๆ แม้แต่ความเกี่ยวเกาะในรูปที่เป็นพบเป็นชาติสุพรณีตขึ้นไปบางระดับที่สูงขึ้นมันก็กลายเป็นโทษในสังสารวัตรคือก่อให้เกิดการข้องการติดอยู่ในสังสารวัตรไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์อย่างแท้จริงการมองในแนวนี้ก็ขึ้นอยู่กับใครเป็นผู้มองอย่างท่านที่เป็นระดับอรหันตสมมาธิสมุทธะหรือประหานตั้งหลายนั้น ถ้าจะมองความข้องติดในโลกทุกรูปแบบว่าเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์อย่างน้อยก็สังสาระทุกข์อย่าไม่หลุดพ้นไปจากทุกอย่างแท้จริงได้แต่ถ้ามองจากข้างล่างแล้วก็มองเทียบเคียงกันมาโดยลําดับพอระดับธรรมะที่เป็นสังสารวัตรจึงมุ่งที่จะให้คนก้าวขึ้นไปสู่ความประนีตขึ้นไป และพยายามที่จะหนีห่างสิ่งเหล่านั้นออกไปเพื่อจิตใจของตนเองจะได้ห่างไกลจากอานาจของกิเลสทั้งหลายมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรามองไปที่ผลซึ่งเกิดขึ้นที่เรารวมเรียกว่าเวทนาคือความสวยอารมณ์ออกมาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างหรือเป็นทุกข์เป็นสุขบ้างและพวกนี้ก็จะกระจายตัวเองออกไปอีกเป็ น, น, นเอเนก ถ้าเรามองจริงๆแล้วตัวการใหญ่มันก็อยู่ที่ความยินดีกับความยินร้ายในกรณีของความยินดีก็เกิดสุขเกิดโสมนัสขึ้นมาในกรณีของความยินร้ายก็เกิดเป็นทุกข์เป็นโทมนัสขึ้นมาในกรณีที่จิตไม่ถึงก็หักไปในด้านใดด้านหนึ่งโดยตรงมันก็กลายเป็นอุเบกขาคือวางเฉยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ทุกข์ไม่สุขหรือความทุกข์ความสุขไม่เด่นชัดออกไป แต่ละอย่างนั้นแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องกันของเวทนาและเกี่ยวเนื่องกันของกิเลสยกตัวอย่างกิเลสเป็นเหตุได้เกิดความยินดีเป็นหลักมาตั้งแต่ต้นเช่นในทรงใช้กรรมการมราคะคือความกับหนัดด้วยอำนาจของความใครในสิ่งที่ตนใครายราคะความกัหนัดในภพคือความมีความเป็นต่างๆแต่แม้แต่พวกปฏิฆะ จะเรียกว่าความไม่พอใจหรือความไม่ยินดีแล้วก็เบี่ยงเบนกลับไปกลับมาอยู่ได้ในวัตถุเดียวกันแต่ว่าต่างอารมณ์กันก็นี้่ผมสังเกตว่าวัตถุหรือบุคคลหรือสิ่งของอย่างเดียวนั่นเองเนื้อการหนึ่งอาจจะเป็นที่ตั้งของความยินดีโอกาสหนึ่งอาจจะเป็นที่ตั้งของความไม่พอใจหรือความยินร้ายโอกาสหนึ่งอาจจะรู้สึกเบื่อนหน่าย รู้สึกเฉยๆขึ้นมาก็ได้แสดงเห็นว่าการกาหนดอารมณ์แต่ละขนาดนั้นตัวอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันแต่จริงๆแล้วถ้าใจคนรู้ทันตามความเป็นจริงก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรในส่วนของใจคนแต่พอดีใจคนไปกาหนดในแนวใดแนวหนึ่งมันก็เบี่ยงไปเบี่ยงมา เกิดจะเริ่มต้นที่การาคะแล้วสายไปด้านหนึ่งก็เป็นโทสะได้หรือกลายเป็นโมหะคือความรุ่มหลงขึ้นมาได้ในควายที่เป็นความไม่ชอบก็เหมือนกันในช่วงหนึ่งมันกลายเป็นชอบได้ในช่วงหนึ่งก็กลายเป็นเฉยๆได้ในช่วงหนึ่งก็กลายเป็นความชังขึ้นมาได้สำหับในที่นี้จะยกตัวอย่างกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความยินดีอีกสายหนึ่ง ที่ปรากฏเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลในรูปของความเครือบแคลงสงสยัยความไม่แน่ใจซึ่งนักสาธุชนสามารถมองได้ว่าความรู้สึกเหล่านี้พอเกิดขึ้นภายในจิตในตอนแรกก็จะก่อให้เกิดภาวะชะงักงันขึ้นภายในจิตคือไม่รู้จะไปทางไหนจะตัดสิ น, จสนใจยังไงแม้แต่การเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันของบุคคลก็จะเห็นได้ชัดว่า อาการความรู้สึกเหล่านี้จะชะงักนันคือจะไม่กล้าหน้าเดินมาถึงทางสองแพร่งก็ไม่รู้ไปทางไหนดีก็หยุดแม้แต่ตากอาหารจะใส่ปากแล้วเกิดไม่แน่ใจว่ากินได้หรือกินไม่ได้หรือควรกินหรือไม่ควรกินก็หยุดทนที่อ้าปากจะพูดพอเกิดสติสุขคิดขึ้นม า, วาควรพูดหรือไม่ควรพูดก็หยุดแสดงเห็นว่า อาการความรู้สึกเหล่านี้ก็ให้เกิดอาการหยุดชะงักแต่ถ้าได้เหตุปัจจัยในด้านใดด้านหนึ่งเข้าเพิ่ม ก, ก็พร้อมจะเบี่ยงเบนไปในด้านของความรักหรือความจังหรือความงม ง, งายในในสิ่งนั้นๆมากยิ่งขึ้นดนั้นความรู้สึกในแนวนี้ผู้เจ้าจึงทรงแสดงไว้หลายระดับด้วยกันแต่ว่าจะเป็นพูดถึงเป็นการพูดถึงระดับใดก็ตาม ความรู้สึกเหล่านี้มีปัญหาทั้งนั้นเึ้นทรงแสดงไว้ในสภาสังวรสูตรเป็นใจความว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมของพระยะไม่ได้ศึกษาธรรมของพระยะก็อาจจะเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องอดีตขึ้นมาว่าเราเคยเกิดมาแล้วหรือไม่คือในอนดีตการนั้นเราเคยเกิดมาแล้วหรือไม่ หรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเราเกิดเราเกิดเป็นอะไรแล้วเราเกิดเป็นอย่างไรแลวเรามีสุขมีทุกข์เป็นอย่างไรและเราตายจากนั้นแล้วเราไปไหนเป็นต้นซึ่งอาการความเครีอบแครงสงสัยเหล่านี้มันสังเกตว่าจริงๆไม่ได้อยู่เฉพาะจุดนั้นแต่มันอยู่ในจุดต่างๆในชีวิตประจำวันของเรา บางครั้งเราเกิดความเครือบแครงสงสัยอาจจะประรบอนาคตหรือประรบปัจจุบันแต่เพื่อเพื่อ <ๆ S 1> ต้องการจะตรวจสอบแล้วก็สอบถามถึงอดีตก็มีกิจกรรมจะต้องไปดูหมอจะต้องไปหาคนที่นั่งทางในอะไรโดวยวิธีการต่างๆจะถามว่าทำไมต้องไปหาคนเหล่านั้นเพราะเราเกิดสงสัยในอดีตสงสัยในอนาคตหรือว่าสงสัยในปัจจุบันขึ้นมา แต่ตามปกติแล้วจาสายอดีตเป็นเครื่องสอบทานเพื่อทดสอบว่าคนผู้นั้นรู้อดีตจริงหรือไม่ถ้าเขาทายอะไรขึ้นมาถูกเราก็รู้สึกว่าเขาคงถ่ายถูกในอนาคตด้วยก็ทาให้บางครั้งก็อยู่ด้วยความหลงบางครั้งก็อยู่ด้วยความอยากแล้วก็ถายมาไม่ดีก็ ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจอาจจะนําไปสู่การสะดรเคาะ์ซึ่งเป็นการเพิ่มเคราะ์ขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วยแต่บางครั้งความรู้สึกเครือบแคลงสงสัยเหล่านั้นมาก จ, จะมุ่งไปที่อนาคตาเราจะเห็นว่าในหัวใจของชาวพุทธเราสวดมากเกิดไม่แน่ใจในเรื่องอนาคต จะมีคำถามปรากฏในที่ต่างๆจากบุคคลระดับต่างๆคนเราตายแล้วไปไหนตายแล้วเกิดอีกไหมสวรรค์มีจริงไหมแล้วก็ถกเถียงกันในเรื่องเหล่านี้จนพูดกันว่าเป็นปัญหาโลกแตกแล้วเถียงกันอยู่ทุกส่วนของประเทศแม้คำสอนในศาสนาต่างๆก็ ได้ชี้แจงเรื่องนี้ไว้ไม่เปิดกันเพราถ้าจะตั้งปัญหาถามว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ตอบว่าเป็นเพราะความเครือบแคลงสงสัยที่มันเกิดขึ้นภายในใจถ้าสอดคล้องกับจริตความคิดของตัวเองมก็เกิดเป็นความยินดีถ้าใครไปขัดแย้งความคิดความเห็นของตนก็เกิด ค, ความยินร้าย แล้วก็หักออกไปได้ทั้งเป็นสายของราคะและกับสายของโทสะนั้นเวลาถกเถียงกันในเรื่องเหล่านี้บางครั้งจะมีความรุนแรงมีการต่อสู้กันในทางความคิดเห็นแต่ที่น่าสลดใจก็คือว่าต่างคนต่างยังไม่แน่ใจว่าตายแล้วต้องเกิดอีกหรือไม่แต่ได้เพิ่มบาปเพราะเหตุถกเถียงกันว่าตายแล้วเกิดอีกหรือไม่อีกเป็นนั้นมาก เพรกิเลสเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นภายในใจบุคคลจะอาจจะตั้งปัญหาขึ้นมาว่าเราจะเกิดอีกหรือไม่หรือว่าเราจักไม่เกิดอีกถ้าเราจะเกิดอีกเราจะเป็นอะไรถ้าเราจะเป็นอย่างไรเราจะมีสุขมีทุกข์เป็นอย่างไรแต่และอย่างนั้นก็เป็นการไขว่คว้าสแสวงหาคำถามกันด้วยวิธีการต่าง ซึ่งคำถามเหล่านี้ไม่ได้มีเฉพาะในปัจจุบันในสมัยพุทธกาลก็มีคำถามในแนวนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นนั้นมากหรือบางครั้งก็เกิดสงสัยแม้ตัวเองในปัจจุบันเราเป็นอะไรเราเป็นใครเราเป็นอะไรและต่อไปเราจะเป็นอะไรหรือว่าสัตว์นี้มาจากไหนเป็นต้นเพราะก็เกิดเป็นคำถามขึ้นภายในใจของบุคคลได้แต่นั้น แล้วแต่ละอย่างนั้นเมื่ออยู่ในจุดของเขาก็คือชะงักกันชะงักทั้งในด้านที่จะทำความดีแล้วก็ละความชัว่วเพราะคนเราถ้ายัางไม่มั่นใจไม่รู้จะทำไปทำอะไรนั้นคำสอนในพระพุทธศาสนาจึงมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งต้องอาศัยศรัทธา เชื่อในการศัวรูของพระพุทธเจ้าไว้แบบเรื่องใหญ่ได้เกินรอบหนึ่งใช้ปัญญาที่ประณีตขึ้นไปตามกำลังที่เราจะใช้ได้พูดถึงในตอนของการยอมรับนับถือและประพฤติปฏิบัติธรรมะเจนว่าธรรมะจึงเน้นที่ศรัทธาเน้นที่ปัญญาไว้ตามสมควรและศรัทธากับปัญญาก็จะคุมกันเองเพื่อไม่ให้ศรัทธาจนงมงายหรือปัญญาจน กลายเป็นพวกสติเพื่องไปฉะั้ความรู้สึกเหล่านี้จึงทรงแสดงเป็นอุปมาให้เห็นไว้ในลักษณะต่างๆเปน็นอันมากเช่นอุปมาเหมือนกับโคลนซึ่งมันเปื่อนและน้ำที่เต็มไปด้วยโคลนตรมนั้นเรามองดูเงาหน้าของเรานั้นมองดูไม่ได้คือมองไม่ชัดเพราะ ก, การศึกษาก็ดีการปฏิบัติก็ดี ไม่ว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรก็ตามถ้ายังมีความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจจู่มันก็เดินต่อไปไม่ได้แล้วถ้าคื้นเดินน่ะคื้นเดินก็เป็นอันตรายพระัจึงทรงแสดงอุปมาไว้อีกอย่างหนึ่งว่ามันเหมือนกับทางที่ทุรกันดานเตรียมไปในหลุมบอกวากน้ำสารพัดถึงแต่เราไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็อยู่ตรงไหน พื้นเสียงเดินไปก็มีแต่อันตรายรอบด้านแต่บางครั้งทรงสอนให้เป็นอุปมาที่ชัดบอกว่าเหมือนกับทางที่เสือมันดักอยู่ข้างหน้าก็เรียกว่าทางเสือโคร่งคือเสือรออยู่ข้างหน้าถ้าไม่แน่ใจไปขึ้นเดินไปเราก็ตายได้ง่ายๆนั้นลนักษณะของความคิดเรานี่เองที่บางครั้ง ทำให้คนเราสูญเสียเวลาไปเป็นนักมากไปตกเตียงในเรื่องที่ร้ายสารประโยชน์คือแทนที่จะใช้ศรัทธาไปก่อนก็ ค, ค่อยศึกษาก็ค่อยพิจารณาก็ค่อยประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็ค่อยๆสัมผัสได้ด้วยตัวเองแต่เราก็ไปอยากใช้ปัญญาในเรื่องที่ควรจะใช้ศรัทธาหรือบางเรื่อง ควรจะใช้ปัญญาได้แล้วแต่อย่างระยึดติดในรูปของศรัทธาอยู่ก็ให้เกิดภาวะที่ก้าวหน้าไม่ได้เหมือนกันยางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประเภทของบุคลบคลผู้ปฏิบัติธรรมไว้เป็นสี่ประเภทว่าบุคคลบางคนนั้นตนเองไม่รู้ตามความเป็นจริงและไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ตามความเป็นจริงก็คือคนง่ที่ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นคนง่อ โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรมันก็ทําไม่ได้เพราะไม่รู้ตัวเองว่าเป็นคนโง่คนบางคนนั้นไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่รู้ว่าตนเองไม่รู้ตามความเป็นจริงก็คือคนโง่ทีรร่รู้ตัวเองว่าเป็นคนโง่มันก็มีโอกาสที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้คนบางคนนั้น รู้ตามความเป็นจริงแต่ไม่รู้ว่าตนเองรู้ตามความเป็นจริงคือหมายถึงอยู่ในช่วงที่ใช้ปัญญาได้แล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้ปัญญาหรือว่าท่านบางคนที่ได้ผลในการประพฤติปฏิบัติระดับสูงแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองรู้ถึงจุดนั้นแล้วก็ไม่กล้าแสดงความสามารถอะไรออกมา บุคคลที่พึงประสงค์จริงๆ จ, ง จ, งจึงอยู่ที่ระดับที่สี่ที่เรียกว่าบุคคลบางคนรู้ตามความเป็นจริงและรู้ว่าตนเองรู้ตามความเป็นจริงคือต้องรู้ซ้อนรู้กันอยู่ในสิ่งนั้นๆปัญหาที่ควรจะแก้ไขก็ชื่อว่าได้แก้ไขไปแล้วฉะนั้นความรู้สึกในสายนี้จะเห็นว่าจริงๆมีลักษณะอึมครึมไม่ชัดเจนลงไปในด้านใดด้านหนึ่ง และพร้อมที่จะแกงเอาไปเป็นรูปของความยินดีก็ได้ความยินร้ายก็ได้แต่ถ้าไม่ไปก็คือจะงักงันอยู่กับที่แม้ในการศึกษาการปฏิบัติธรรมะที่ประดิษฐ์ขึ้นมาก็ไปติดอยู่ในส่วนใด ส, ส่วนหนึ่งบางทีเราก็เกิดสงสัยในภาพรวมโดยเฉพาะในฐานะของพุทธศาสนิกชนสงสัยในพระพุทธเจ้า บางทีนั้นไม่น่าจะสงสัยมีคำถามเกิดขึ้นในหมู่พุทธศาสนิกชนที่โดยรูปแบบแล้วมันก็เดินหน้ามานานระสมควรเป็นรูปแบบของอบาสุบาศิกาเป็นพิกษุสามนเณรไปตั้งปัญหาขึ้นมาได้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่นี่แสดงให้เห็นถึงสภาวะที่ตัวเป็นอยู่กับความคิดมันขัดแย้งกันนเอง คือรูปแบบขนาดนี้อยู่ในสถานะอย่างนี้ไม่น่าจะมีความสงสัยในระดับนี้แต่ก็เกิดสงสยัยขึ้นมาได้แล้ว่าเคลือบแคลงสงสัยในพระธรรมในองค์ธรรมในการสืบต่อของธรรมะและองค์ธรรมะที่ทรงแสดงเอาไว้ตัาจะเห็นว่าเราก็สูญเสียเวลาตกเฉียงไปในเรื่องดอกนี้ปัจจัยวิดกนั้นจริงหรือไม่จริง บางทีก็ปฏิเสธว่าคงไม่จริงโดยลืมมองไปว่าที่จริงการสืบพอดตระเรียบปดกนั้นมีการสอบทานกันอยู่ทุกส่วนต่างๆของโลกแต่ต้องก็นํามาสอบทานกันอยู่ตลอดก็ปรากฏว่าโดยเนื้อหาสาระแล้ ว, ลวก็ลงกันสมการอาจจะผิดกันคำสองคาซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเรายังไม่แน่ใจเราเกิดความเครียดแคลงสงสยัยก็สงสัยแม้ในความเป็นมา เมื่อไม่แน่ใจในความเป็นมาก็ไม่สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้หรือในขณะที่ศึกษาอยู่ก็ ส, สงสัยในองคธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้บางทีจึงมีการเพิ่มธรรมะขึ้นจากที่ทรงแสดงทํานองใกล้ๆว่าที่ทรงแสดงนั้นน้อยไปจึงต้องมีอะไรใส่เข้าไปหรือบางทีก็ไปลดองค์ธรรมะที่ทรงแสดงเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่ใจหรือเครื่อนแฝงสงสยัยทำไมศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นนั่นอ่อนลงมางทีก็อาจจะสงสัยในผลที่ส่งสแสดงไว้ในระดับต่างๆเพื่อจะเห็นว่าผลนั้นถ่งสแสดงจากขณะนั้นเป็นต้นไปคือพอมีเจตนาที่จะกระทำกรรมก็ส่งสแสดงผลไว้แล้วและผลที่ต่อเนื่องกันไปจนข้ามพบขามชาติเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลที่ผ่านเดดกัน แต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจในช่วงในช่วงหนึ่งก็หยุดเป็นกันเพราะฉะเวลาแสดงถึงขีดขั้นกำหนดของความเป็นบุคคลที่เรียกว่าเข้าถึงกระแสของปณิพานก็ต้องสามารถขจัดความเครือบแครงสงสัยในชั้นต่างๆล ง, ง, งไปโดยบิงทีก็ทรงแสดงในรูปของธรรมะปฏิบัติที่ สามารถสัมผัสได้ในระดับนั้นๆแล้วให้มาดูถึงความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใ จ, จของตัวเองก็สามารถขาจาัดความเครือบแคลงสงสยัยลงไปได้เห็น<บ>ตัวอย่างง่ายๆว่าคนที่มีกุศลเจตนาให้ทานบริจาคทานแต่บริจาคด้วยกุศลเจตนาจริงๆพรสสะเจ้าทรงแสดงอานิสงส์เอาไว้ พระผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของคนเป็นนั้นมากสัตว์ปรุษคือคนดีทั้งหลายจงอมเข้าหาสมาคมกับผู้ที่ให้ทานเกียรติคุณในทางดีงามของบุคคลผู้ให้ทานจะพุ่งกระจรไปไปที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลายจะมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความมองอาักล้าหาญไม่ขั้นครามขามเกรงเมื่อเข้าไปในสมาคมต่างๆ ซึ่งผลเรานี้จะเป็นปัจจัดตังคือเห็นได้ไปจากแก่ใจของบุคคลผู้ให้ทานเราก็มองย้อนกลับไปตรวจสอบ ด, ดูวผลเหล่านี้เกิดขึ้นแก่เราไหมเคยเกิดขึ้นบ้างไหมแล้วถ้าบุคคลให้ทานด้วยกุศลและเจตนาจริงๆก็จะพบว่าผลทั้งสีประการนี้เราสัมผัสได้เรื่อยๆ และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความสุขใจความสบายใจความปีติประโมทที่เกิดขึ้นจากการได้เสียสละได้เกื้อกูลแก่ บ, บุคคลอื่นเป็นผลที่ไปจักขึ้นภายในใจในขณะนั้นนะเพราะถ้าบุคคลมองจากจุดเหล่านี้ได้มันก็มองมาในจุดที่สืบต่อกันไปได้เดื่ยจะมองผลของศีล สำหรับผู้ที่รักษาศีลก็มองดูที่ผลของศีลผู้ที่ปฏิบัติระดับสมาธิก็มองผลที่ตนจะได้จากสมาธิแต่การมองผลนั้นไม่ต้องเร่งรัดเพราะเร่งรัดบางอย่างเราก็เห็นผลไม่ได้ดังนั้นจึงทรงอุปมาการปฏิบัติการกระทําของบุคคลว่าเหมือนกับการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งมันต้องได้ผลของพืชชนิดนั้น เหมือนทำความดีในระดับต่างๆก็ได้ผลเป็นความดีในระดับนั้นๆแต่เมื่อมองกลับไปที่พืชพืชที่บุคคลปลูกลงไปนั้นมันต่างชนิดต่างประเภทกันบางอย่างก็ให้ผลที่เต็มรูปช้าหน่อยบางคนให้ผลเต็มรูปเร็วๆแต่ก็ผลไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลอะไรนั้นพึงสังเกตว่ากรรมอะไรก็ตามเป็นกุศลเรื่องกุศลก็ตาม เรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่มีเจตนาแรงมีความพยายามมากจะอำนวยประโยชน์ได้มากเรื่องหนวยโทษได้มากก็แล้วแต่ว่าสิ่งนั้นที่เราก็ทังลงไปเป็นอะไรการใช้ปัญญาพินิพิจนาอยู่ไว้บ่อยอย่างนี้เวลามีใครไปขัดแย้งอะไรในความรู้สึกโกรธหรือว่ารู้สึกไม่พอใจก็จะลดลงไป เราถือว่าเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่ควรฟังเอาไว้หรืออย่างน้อยก็บอกว่าคนนี้ก็มีความเห็นอย่างนี้ซึ่งความเห็นที่ขัดแย้งกันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในสมัยพุทธกาลก็มีคนที่มีความเห็นขัดแย้งกับพุทธเจ้าเป็นอันมากโดยเฉพาะนักบวชนอกพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องของเขาก็เห็นขเขาอย่างนั้นอย่างน้อยก็เป็นความถูกใจของเขาเป็นความพอใจของเขา เมื่อเขามาแสดงอะไรเราฟังเราก็ฟังไว้โดยไม่ต้องเกิดความยินร้ายไม่จําเป็นอะไรจะต้องไปถูกจริงกันหรือแม้แต่เรื่องของความยินดีก็เหมือนกันแล้วก็พร้อมที่จะหักไปได้แต่เราก็ไม่ไม่ยุดติดอยู่ในจุดนั้นเท่านั้นก็พร้อมที่จะสืบสวนศึกษาค้นคว้าสัมผัสผลให้ลึกขึ้นไปโดยลำดับ จานั้นจะเห็นได้ว่าแม้เราเริ่มจากจุดของความเครืบแคล ง, งสงสัยตัวความเครืบแคล ง, งสงสัยก็ก่อให้เกิดอาการชงักขึ้นในแต่ละจุดถ้าเกิดจากความยินดีมันก็แล่นไปสู่กระแสของพวกก ร, รมราคะพอนาหนักมาได้ด้านด้านของความยินร้ายก็มีการเพิ่มกิเลสประเภทปฏิฆะหรือปฏิขาดูสัยก็คือกิเลสสายโทสะนั่นเอง น, นี่ก็เป็นอาการที่ บุคคลสามารถสังเกตได้ว่าไปในจิตใจของบุคคลเรานั้นพร้อมที่จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยอำนาจของกิเลสซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากจุดไหนก็ได้เพราะกิเลสเหล่านั้นจริงๆแล้วมันมีรากงาอย่างเดียวกันคือสิ่งที่ทรงใช้คำว่าอาวิชชาโนใส เวลาทรงแสดงกลุ่มของกิเลสเราจะมีเรื่องของโมหะหรือเรื่องของวิชาเรื่องของความไม่รู้ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆด้วยแม้แต่แสดงสามข้อก็ต้องมีกิเลสประเภทนี้อยู่ปางทีก็อาจจะแสดงเพียงข้อเดียวแต่แสดงเพียงข้อเดียวก็จะไปนเน้นที่ตัวรากใหญ่ก็คือวิชาไว นั้นธรรมะปฏิบัติที่จะสามารถขจัดความยินดีหรือความเครืยแพรงสงสัยหรือความยินร้ายซึ่งออกมาในรูปแบบต่างๆนั้นก็ต้องอาศัยการผ่านขั้นตอนในช่วงแรกบางเรื่องก็ต้องใช้ศรัทธาเป็นหลักไว้ก่อนเพื่อสามารถประคับประคองตนให้มีฐานมั่นคง ในการที่จะศึกษาและประพฤติปฏิบัติเพื่อผลที่สูงขึ้นไปจังเราเห็นว่าศรัท ธ, ธาที่มีกำลังนั้นไม่ใช่สามัญธรรมดาเพราะการกำหนดคุณสมบัติของพระอริยบุคคลระดับที่เป็นประโสดาบัานทั้งก็เน้นที่ตรงนี้เน้นที่ศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไปในพระพุทธเจ้า คือทุกช่วงทุกขั้นตอนของความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่บอกว่าไม่เครือบแคลงสงสัยแลว้วไปตีความสับสนแปลพระพุทธเจ้าตอนประสูติแล้วเดินด้วยพระบาทได้7จก้าย้ายไปอยู่ตอนที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเผยแผ่ได้ไป7แคว้นเป็นต้นเป็นคนละเหตุคนละผลคนละกาลคนละเทศะคนละสภาวะคนละสถานที่กันทั้งหมดเลย ในส่วนลึกๆก็แสดงให้เห็นว่าเราใช้ปัญญาโดยลืมศรัทธาโดยลืมเหตุผลไปศรัทธาเชื่อมั่นในพระธรรมโดยไม่หวัน่นไหวเช่นสมมติว่ารักษาศีลอยู่ปฏิบัติธรรมะอยู่เจริญกรรมฐานอยู่หรือแผ่เมตตาพรมหารอยู่เป็นต้นมีคนมาท้วงติงมาทักท้วงมาห้ามปราม ก็ไม่ยอมที่จะคล้อยตามบุคคลเหล่านั้นคงยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างมั่นคงในธรรมะเหล่านั้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป